3. นักขวักมวดว่าด้วยการเปลือยกายสิกขาบทที่หนึ่งว่าด้วยการเปลือยกายอาบน้ำเรื่องภิจุณีหลายรูป 883. สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่หน้าพระเจตวันอารามของอนาถาบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้น ภิกษุณีหลายรูปเปลือยกายอาบน้ําในแม่น้ําอาจิรวดีท่าเดียวกับหญิงแพทย์สยาพวกหญิงแพท ย, ย, ออย์สยาย้ยยันภิกษุณีเหล่านั้นว่าแม่เจ้าทั้งหลายพวกท่านยังเป็นสาวจะประพฤติพรหมจรรย์ไปทําไมกันทบดามนุษย์ควรบริโภคกามีใช่หรือต่อเมื่อชาราพวกท่านจึงค่อยประพฤติพรหมจรรย์เมื่อเป็นอย่างนี้ชื่อว่าได้หยิบช่วยเอาประโยชน์ทั้งสองแล้วพวกภิกษุณีถูกพวกหญิงแพท ย, ย, ออย์สญาย้ยยัน ต่างกื้อขินครั้นกลับไปสํานักแล้วจึงบอกเรื่องนั้นให้ภิกษุณีทั้งหลายทราบพวกภิกษุณีได้บอกเรื่องนี้ให้ภิกษุทั้งหลายทราบพวกภิกษุได้นําเรื่องนี้ไปกราบทุลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ